การท่องเที่ยวในวัฏสงสารกับการท่องเที่ยวในสนามเกิดสนามแก่สนามเก็บสนามตายสนามทุกสนามถูกลบานพเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันวิชาทางพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ดึงออกกากโลกเป็นกล้องคุณทัศน์สองทางออกกากโลก ไม่ทานวัดชีววัดภาวนาวัดวัดเวียงคิตใจและความประพฤติให้ออกนี้จากโลกให้ออกนี้จากความโลภความโกรธความหลงความก้าตัวแต่ละลายละลของบุคคลถ้าโลกไม่มีอุปสรรคการเบื่อหน่ายโลกก็ไม่มีถ้าเกิดแก่เก็บตายมันมสมประสงค์การที่จะเบื่อหน่ายความเกิดแก่เก็บตายมันก็ไม่มี แล้วเรกโกรธหลงมันสมประสงค์การเบื่อหน่ายเราโกรธหลงมันก็ไม่มีเหตุฉะนั้นมันไม่มีสมประสงค์สักอย่างจึงเป็นเหตุไม่ให้นอนใจจึงเป็นเหตุให้ยินดีในการขอวัดปฏิบัติจะปฏิเสธไม่ได้การอาบน้ำปฏิเสธไม่ได้พระสกปกโศมม ในชั่งคนร่างกายการปฏิบัติฉิมธรรมเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันทําไมจึงปฏิบัติก็พราะมันไม่มีสิ่งที่สมประสงค์ถ้ามีสิมที่สมประสงค์แล้วความนอนใจในวัฏฏะสงสารก็ต้องมีความนอนใจในวัฏฏะสงสารไม่มี ก็เพราะเหตุในวัฏจรสงสารไม่สมประสงค์อุปสัรคเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เบื่อหนายคลายเมาในวัฏจรสงสารมนรุษยโลกเทวโ ล, โลกพรมโลกสัพพโลกท่างปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกเมือผลลัพธ์คือทุกขสังขารา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 สังขาร น, นั้นก็ดับไปในอดีตแล้วสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขาร น, นั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาร น, นั้นก็ดับในปัจจุบันเมื่อโลกเต็มไปด้วยสังขารเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเกิดขึ้นได้เราะแปรปรวนและแต่ตละอย่างนี้ก็สอแสดงให้เห็นโลกให้เห็นแน่ ว, ว่า โลกไม่มีที่ลีรลับเปิดเผยอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างผึงฟ้ายจตุสัจจะทันทังทันดังความทุกข์อ น, นิยสัจสีนั้นก็ดีเปิดประกาศอยู่เหมือนกลองตีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนัทิโลเกรหูนามะ ความรับไม่มีในโลกแก่ก็แก่อย่างผึ่งผายเก็บตัเก็บกกอย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายหิ้วข้าวและหายน้ำปวดอุจจระปัสสาวะซึ่งแสดงอาการปวดแสดงอาการทนได้ยากความไม่สบายกายใจไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะ เป็นของทนได้ยากเหตุฉะนั้นจึงมีสิ่งปฏิบัติเพื่อคนจากทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเหตุที่จะปฏิบัติเพื่อคนจากทุกข์ถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างมาแก้มันถ้าไม่มีงูก็ไม่มีฉลาดมาแก้ถ้าไม่มีขี้เกียจก็ไม่มีความขยันมาแก้แก้ข้อแก่ที่ดวงใจของเรา แต่ละท่านแต่ละกลนทุกเกิดก็เกิดขึ้นที่ดวงใจทุกไปมาเพราะเหตุอะไรมฆเมมาเพราะเหตุชาติเป็นเหตุชาติเมมาจากอะไรชาติก็เมีมาจากพบพบเมมาจากอะไรก็เมีมาจากตัณหาความทะเยอทะยานในโลกทั้งบวงตัณหาเมมาจากที่ไหนก็ไมก็ มาจากอุปทานเหมือนกันเพราะยิดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหตฉะนั้นพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาจึงสอนให้เราลู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงของเจ้าตัวตามเป็นจริงไปเป็นตอนตอนลู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั้นไม่ขัดบสคืนและไม่สงสัยเอก เราจะข้ามทะเลหลงด้วยวิธีไหนด้วยวิธีไม่หลงเราหลงอยู่เดียวนีมหลงอะไรบ้างหลงหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของเที่ยงหลงหลังหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสุขหลงหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นของตัวของตนหลงหนังอยู่โดยรอบหนังหุ่มอยู่โดยรอบว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล หลงหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเป็นของสวยของงามคือโรคภายในอัจฉริโรคสังขารภายในอัจฉริสังขารทุกภายในคืออัจตาทุกไม่ใช่ทุกภายนอกอันนี้จังภายในคืออัจฉริอันนี้จังภายในส่วนของภายนอกนอกจากตัวเราไปหรือท่านผู้อื่นไปนอกจากตัวเราไปก็จะบอกของภายนอก นอกจากตัวที่สมมุติว่าเราเราเป็ของภายนอกอันนั้นก็มีลักษณะอันเดียวกันไม่นอกเหนือกั น, น, แ, ปปน แ, แต่ก็ได้แพร่พัวมาจะสลายทั้งนั้นเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจำไม่รู้วยออนิจจังทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ล่วงไปแล้ว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 ล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีเงินใช้ไปแล้วอนาคตเงินยังไม่ทันมีมีแต่บัญชีเพราะยังไม่มาถึงปัจจุบันมีทั้งตัวเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วยจะมีน้อยมีมากกว่าดีจะฉลาดมากฉล า, าดน้อยก็าตามก็เอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์สินก็ตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบัน ปัญญารอบรู้ในปัจจุบันพุโทโอแปลผู้รู้ละบาบาเป็นบุญในปัจจุบันธรรมโอทรงไวซึ่งผู้รู้ละบาบาเป็นบุญในปัจจุบันสังคโฆแปลว่าปัจจุบัิผู้รู้ในปัจจุบันยกลงพุโทโธธรรมโมสังโฆพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนา ก็อยู่ที่ดวงใจทําดีแล้วก็ไปอยู่ใจไม่ได้ต้อนเขา้าข้อยากเหมือนโคและกระบือ้อทาช่วยแล้วก็ไปอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนเขา้าข้อยากเหมือนโคและกระบือ้อสีดมีตัวเดียวคือตัวใจสมาธิตั้งมั่นในใจมีตัวเดียวปัญญารอบรู้ในใจมีตัวเดียวตกลงเปรตหมื่นสี่พัน พอทำมาขันก็ยันลงมาหาใจเรียกว่าสีลัขันสมาธิขันปัญญาขันกลมเกินกันอยู่ที่ใจผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาชินห้าไม่ได้ผู้ไม่มีศีรานุสติระลึกถึงศีลของตนก็รักษาชินห้าไม่ได้ผู้ไม่มีศ ร, รัทธาความเชื่อก็รักษาชินห้าไม่ได้และก็ไม่เลี่ยมไซบะพุทธศาสตร์นะด้วย เมื่อศรัทธาเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วเสียงอื่นก็ค่อยเป็นไปเชื่อคําสอนพระพุทธศาสนาว่าเป็นคําสอนที่เลิศโลกทั้งปวงคําสอนใดๆในใจลกทาจะเสมอเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยถ้าว่าสงสัยว่าคําสอ น, นอื่น จะประเสริฐเลื่อนกว่าคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ลงพระพุทธศาสนาไม่สนิทเมื่อลงไม่สนิทเราก็ต้องสงสัยเมื่อสงสัยแล้วก็จิตใจก็สายไปมาเป็นไม้ลอยน้ําเพราะไม่แน่ใจแล้วเพราะไม่ตกลงใจจิตวิจีติดฉาเราทราบดีอยู่แล้วว่า คำสอนใดในใจโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาหรอกพุทธวารีษัต์องค์ท่านก็สอนบอริบูรณ์มีคื อ, คอสุธรมเรลบาสรงกวัติตาฆราวาสก็สอนบอริบูรณ์จึงทรงเน้นว่าปัญธิตโตฆราวะสสังบัญทิตเป็นผู้ครองเรือนบัญทิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือภูมิทิศนาบริบูรณ์ ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิน้าไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุขทุกประเภทไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะสาบแข่งท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีนี่คือผู้ถึงสุปฏิปันโนแล้วผู้เห็นธรรมแล้ว ผู้ฟังแน่นในพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะอยู่คาราวาหรือบรรพยศท่านก็มีรักจิตรักใจแล้วไม่สงสัยไปทางอื่นเลยมีผู้ดึงไปเรื่อมใสในรัฐที่อื่นๆท่านก็ไม่ไปเออเออเออแล้วกปแล้วไปเพื่อแก้รำคาญแต่ท่านไม่ไปไม่แวะซ้ายแรขวา เดินหน้าเลยไม่ถอยหลังเลยจะช้าเยอะเร็วก็เดินไปทั้งหน้าเดินทางจิตทางใจทางความประพฤติถ้าาว่าถือว่าคำสอนของพระพุทธศาสนามีพระคุณค่ามากกว่าวัตถุใดๆทั้งปวงในโลกมีคุณ ค, ค่ากว่าวัตถุนิยมไม่เก่าเป็นไม่เน่าเป็น ไม่ขาดไม่เปื่อยเป็นเพราะเป็นโมระดกที่ไม่สูญหายไปไหนตกน้าก็ไม่หายตกไฟก็ไม่รอดโจนก็รักคำสอนพระบรมศาสด า, าไปไม่ได้ไฟก็ไม่ไหม้น้าก็ไม่ท่วมถ้ า, ากถือว่าคำสอนของพุทธศาสนาเลิศ ก, กว่าคำสอนใดๆทั้งปวงโรได้บุ์ทั้งพิชูลสามเณรอบาสกอบาสิกาเนี่ย การจะวางแผนปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไม่เสียดายไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดเสี้ยนหานูย่ยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการไม่มีเสี้ยนห้าบริบูรณ์นั้นสะสมแต่บาปใส่ตนเองโดยไม่รู้ตัวการใช่ไหมถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณ ะ, ะนั้นก็คือสะสมแต่บาปใส่ตัวนั่นเอง โดยไม่รู้ตัวเอกด้วยเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วจึงไม่ยอมถือศาสดาอื่นจึงยอมเชื่อคำสอนและพุทธศาสนาเราจะเข้าสู่พระ涅พานไปนานสักเพียงใดก็ตามคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราแทนเราขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทประมาดีนะซ้ำปาาิ้าติด ท่านทั้งหลายจงยางความประมาทในถึงความเน้อเราจะลาพวกท่านไปละถึงไหนๆเราก็บอกพวกท่านได้หมดแล้วไม่มีที่พิษบางอัมพรางเลยเราจะลาพวกท่านไปละพุทธบจนสัตธ์เอ๋ยอย่ามาหวังอะไรกับเราเถิดเราทิ้งมรดกให้พวกเธอพวกท่านพวกคนพวกสู่เจ้าทั้งหลายแล้วอย่ามาหวังเอาอะไรกับเราเถิด ไม่เหมือนรัภ์ภายนอกเนอซับภายนอกผู้ใดมือยาวก็สาวได้สาวเอามันก็หมดเป็นรับภายในที่เราแบ่งให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยใครจะเอารักเพียงไหนก็ไม่หมดเนอได้ น, น้อยได้มากมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะตัวไม่เอาไม่ใช่รับเราจะหมดที่เราเทศได้เธอทั้งหลายจงเอาเถิดจงปฏิบัติเถิด ตามสถิติกาลังของพวกเธอนั่นเองนั่นทรัพย์ภายนอกมันหมดเป็นทรัพย์ภายในมันหมดได้เป็นมรดกมาขอศีลกับพระไม่ใช่พระจะเอาศีลให้ก็มาบอกพิธีเอาศีลเฉยๆแต่อธิแทรกศีลอยู่กับเจ้าตัวเองพระเป็นผู้บอกเฉยๆไม่ใช่ศีลอยู่กับพระศีลอยู่กับเราเองปาราทิปาตาเวรมาีนั้น ท่านทั้งหลายอย่าไปคาดสักเนอเวรมานีแล้วเละเว้นแล้ ว, ลวชิคาประทางสมาธิามิเป็นชิคาบทหนึ่งหนึ่งอาินนาธานาเวรมณีเวรมานีให้เธอทั้งหลายเว้นเนอร์ชิคาบทอื่นๆก็เหมืนกันศินห้าเมื่อไม่ร่วงแล้วเมื่อก็มาเป็นศินตัวเดียวเป็นเชือกขากีเออยู่ในใจเรานี่เองในปัจจุบันเลย เม่เสียดายอยากล่วงละเมิดแล้วมันจะลําบากทําไมที่มันลําบากอยู่ก็เพราะเหตุว่าเราเสียดายอยากล่วงละเมิดอบ า, ายามุกก็เหมือนกันถ้าเราไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดมันจะลําบากทําไมเราเสียดายอยากล่วงละเมิดมันก็ลําบากเสียคล้ายๆคำน้ำลายระเบ่วนทิ้งแล้วเราไม่เสียดายอยากเอาคืนมาใส่ปากอีกมันจะลําบากทําไม นั่งเช่นเราแบกของหนักๆเราทิ้งลงตูมและเป็นน้ำปักบ่าด้วยแทงบ่าด้วยเราเสียดายทำไมเราก็ไม่เสียดายเราก็เช่นเรากรรม่านไฟแดงโด้อเเราไม่เสียดายอยากจะกรรมไหวเราเรียบบางจะทายนั่นโอ้ยไม่วางดอกเสียดายจะกรรมไหวเราไม่ว่าเพราะเราเห็นน้ามันร้อนฉันได้ก็ดีอาบาัยมุฒทุกประเภทหรือศีลมากกว่า ถ้าเราร่วงลราเมื่อเราเห็นว่ามันบาปจริงนั่นความดีคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากมาแมลงพึ่งแกซ่อนดอกไม้มแมลงพึ่งหาง่ายทําได้ง่ายมูดโคดมแมลงพึ่งหาได้ยากทํายาก แต่แมลงวันมันหาได้ง่าย like. มันถือว่าเป็นของทิพย์มันของทิพย์แมลงวันมูดคูดคือของท um <sting. S 2> ิพย์แมลงวันแกสอนดอกไม้คือของทิพย์แมลงผู้แมลงผึ้งประชาธิปไตยของแมลงผึ้งผู้แมลงผึ้งแมลงวันประชาธิปไตยของแมลงวันกับมูดคูดหือสังคมนิยมของแมลงวันสังคมนิยมของแมลงผึ้ง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 เราจะไปข่มเห้นคนตาบอดมาสนเข็มทีน่นี่ผู้คมเห็นก็เป็นบ้าเหมือนกันนั่นเหตุฉะนั้นพระพุทธมศาสตราจริงวางพระพุทธศาสนาไว้เป็นของกลา ง, ลางให้มีสิทธิ์เลือกใช้เองไม่ให้ถูกบังคับไม่ให้ถูกกดขี่บังกันโคลกถ้าถูกบังคับถ้าหยุดบังคับแล้วก็ต้องขอบคืนไม่ให้ต้องให้มีเครื่องก้างรางวัน ถ้าให้มีเครื่องจ้างรางวัลพอเครื่องจ้างรางวัลมาหมดแล้วมันก็ขาดบทเืนมันไม่เหมือนศาสตาอื่นศาสดาอื่นเขาเอาของเล็กๆน้อยๆมาจ้างเราแต่พอเขาร่อล่ำจมูกเราแล้วเัาเอาไปทำต่างๆเราเป็นนกเป็นปลาก็าตองเป็นนกเป็นปลาที่แฉะาดอย่าไปติดเบ็ด ติดแล้วของนายพรานที่โปรยราไว้เขาโปรยเราไว้เมื่อเขาจับสัตว์ได้เขาเอามาต้มมายำสารพัดบิดคอเฉือนคอเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพ่อของเราดีแล้วคือพระสมานทั้งพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เลยจะมาในโลกนี่มาแล้วก็มากกว่าเม่ดิินเม็ไทรายในท่อมหาสมุทรร้อยโกรดมหาสมุทร รวงไปแล้วที่จะมาในข้างหน้าก็เหมือนกันเป็นคำสอนอันเดียวกันถึงอย่างนั้นพระองค์มาแต่ละข้างละข้าง<ม>ก็มาเทศนาะเอาได้เท่าเขาโคเท่านั้นส่วนคนโคมันไปจี่ไหนส่วนคนโคก็มอบไหว้ให้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆไปพระพุทธเจ้าไม่ขาดโรคถึงจะเป็นศุนยากับก็าตาม แต่ก็เพื่อรอพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันนักที่อื่นๆไม่ด่าดื่นทมเถอย่าได้เอามาปนเปกับพระพุทธศาสนาเลยอย่าเอารักที่อื่นขึ้นไปในสนามมวยเพื่อชกกับกับพระพุทธศาสนาไม่ควรเอาพระพุทธศาสนาไปชกมวยกับราสนาอื่นนักที่ใดในต่โลกชาติ มันก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวแล้วเขียนทิศจะมีกี่ล้านลาก็ชี้ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวฉัน้นใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกควาคำที่ของที่จริงนี่พูดวันยังค่าก็จริงวันยังคำ่ำสิ่งที่ไม่จริง พูดวันยังคำ่ำก็ไม่จริงวันยังคำ่ำของที่ไม่จริงไม่พูดอีกก็ไม่จริงอีกของที่จริงไม่พูดอีกก็จริงอีกขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อมันมีประมาณไม่้เลึกได้ไม่้เลิก ไ, ไ, ได้ก็ดีจะขออุทิศสกุลกายวากา ย, ายใจให้เป็นลุ่มมูดลุงคกูดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้พระพุธพรธรรมพระสงฆ์เป็นปุคราธิษฐานชี้รถเยีย่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายน้โมกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคบรรลุนวาตาสองสารโดยด่วนตามสติกำลังของตนอยู่ทุกเมื่อนั่นเทือนระลึกได้ไม่เลิกได้ก็ดีมนุษย์สมบัติมีเท่าใดสวรรค์สมบัติมีเท่าใดพรหมสมบัติมีเท่าใดพระนิพพานสมบัติมีเท่าใด จะทูลถวายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงจะทูลถวายสกลละกายวายกายใจอันนี้เป็นมหาสมบัติอันนั้นทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อและยอมเป็นข้าเป็นทาาอยู่ทุกเมื่อขอให้ถอนน้าลายคายละมูกใส่ในสกลละกายวายกายใ จ, ใจอยู่ทุกขนทุกเห่งทุกวิถีทางทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดลงถึงขนาดนั้นแล้วถอนไม่ออก เลือดทุกหยดจะขอบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทรงเมื่อทุกมีเท่ also, ok find, าไหรก็จะทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุงว่าสุขมีเท่าไหรก็จะทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทรงว่าอุเบกขามีเท่าไหร่จะทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทรงว่าไม่มีประมาณนั่นเธอมันก็หมดปัญหาท่านเลยลงทั้งเดียวย่าได้เบือบล่องลาว ให้เกี่ยงทั้งในท์ไซท์งกระดูกก่าโบร้านภาคเกสารให้เกี่ยงทั้งขาวปลูกทั้งขาวปัดล้านาน้อยแ่โมตโตฟังออกบอกคนภาคเหนือฟังออกไหมฮะไม่ออกที่ <c oughs> <c oughs> คนเหนือฟังภาคเอกสารไม่ออกคนภาคเหนือตอพอซ้ำเผาเป็นตัวปอ ตัวพอเป็นตัวพออำเภออย่างนี้ก็อำเภอถูกไหมอำเภ อ, นะอเนอะอำเภอเหมือนกันนะเนื้อหนังทําอะไรเรียกว่าเนี้อหนังฮะโอ้โอะไรเนี้อหนังในเยี่ยมหลวงปู่จามไหมเยี่ยมนะเอจําได้ไหมลนะ่ะจําทันได้ไหมเคยพบนะ หลวงปู่จามเป็นอยู่แจยงใหม่ยี่สิบห้าปีอล้วคำสอนแต่ละบัฏระบาศส่งต่อพระเนี่ยานหมดนะโมพระโสดาวันนะโมพระสกทาคามีนะโมพระอนาคามีนะโมพระอาหารหันนะโมพระโสดาวันแปลว่านโมไม่ลงทางนอบนอมจนไม่เสียดายอยากจะล่วงเส้นทางนอบนอมไม่เสียดายจน อยากจะล่วงแล้วเมิดอเส้นห้าหน้ามแปลว่าน้อมน้อมน้อมไม่เสียดายอยากจะเลี่ยนอบายจมูกน้อมน้อมไม่เสียดายอยากกระสาบแข่งท่านผู้ใดเมื่อมีคนอื่นมาทําผิดพระโสดาวันพระโสดาวันก็โกรธอยู่แต่ไม่ถึงกระผูกเวรเออถ้าเคยได้ทําเขาแต่ชาติก่อนก็หายมาแล้วกันไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะ ข้าพรเจ้าจะไม่ตอบใดใดทั้งสิ้นขอแล้วกันไปซักแล้วกทานน้อยขอให้ผ่านทานหลายขอให้กายไปซักปฏิบัติน้อยขอให้กายปฏิบัติหลายขอให้เพ่นเวรอย่าได้มีเวรมีภัยแขกันแล้วกันท่านควรนึกอย่างนั้นเพราะท่านเห็นเวรเห็นภัยมันไม่เป็นของที่น่าจะสะสมเพราะสวราวันตั้งหน้าปล่อยเวรปล่อยภัยแล้วปล่อยนกปล่อยหนู ก็ว่าย ไ, ได้คือปล่อยเวรปล่อยภัยนั่นเองตั้งหน้าละเลยไม่ได้สงสัยไม่ได้เชื่อใครละเลยเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดิ่งลงแผ่นเดินหนาสองแสนสี่หมนโยชน์เขาอารูประเบิดปรมานุทาลายแต่จิดใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วลึกไปกว่านั้นไม่จะตายเกิดตายเกิดมากกว่าเม็ินเม็ทรายในท้องมหาสมุทร ล้านมหาสมุทรก็ตามจะไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานอาร r a ีสัมปันโนจะอธิษฐานไว้ในดวงใจนี้สัจจะปารามีสัมปันโนจะตั้งสัจจะไว้ในดวงใจนี่มันก็เลยกลายเป็นสัจจะปารมัทธะปารามีสัมปันโนซะกลายเป็นอธิษฐานปรมัทธะปารามีสัมปันโนซะจะเสียชีวิตด้วยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยอมจะเสีย ชีพก็ดีกว่าเสียสัตว์เสียชีวประวัติเสียชีพดีกว่าถ้าลงถึงขนาดนั้นเนี่ยผีไม่มาใกล้หราผีในใจโราก็ท่านอัตมาเองไม่กลัวผีมาก็จะเพลเมตตาให้นะเห็นตัวมาเ็าจะบอกมาเคนของให้อัตมากลัวแต่มนุษย์นะตัวนินดๆมันก็ทำไรได้ถ้ามันเดินเป็น มันเอายาเบื่อใส่ก็ได้แล้วพ่อแล้พ่อมจะเอาเข้าวราดใส่บาดให้อ่นี้มันเอาใส่มากับข้าวาดตายเลยงูตัวเล็กๆเดาไม่เห็นแล้วก็กลัวเหมือนกันเสือตัวโตๆตัวโตๆแล้วก็กลัวมือนกันแต่มันไม่ค่อยเห็นมันมันก็ยากลัวเราจะตายเหลืองูมันก็กลัวเราเหมือนกันถ้าเราไม่ไปเหยียบมันมันไม่วิ่งมากัดเนีย มูเห่าก็เหมือนกัน่ถ้าเราไม่ไปเหยียบมันมันก็ไม่วิ่งมากัดที่มันวิ่งมากัดก็เพราะเราไปเหยียบมันมือไปอยู่ใกล้มันคือบเดียวไม่เห็นมันตั้งหน้าไปเที่ยวกัดคนเราไปเหยียบมันไปทําอันตรายมันมันจะกัดแต่มนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นเทวดาก็ไม่กลัวเทวดาแล้วจะมาทำร้ายมนุษย์ทำไมอถ้าดังอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นเทวดาสิ ก็เป็นเทวาผีเท่านั้นละ่ะกลัวของภายนอกอันนี้นี่กลัวของภายในยังไม่อีกเลนี่พยาโรค พ, พยาโกดพยาหลวงมันนอนสบายอยู่ในรอบเมืองใจของเราเนี่ยเพียงทำเล็กเล็กแค่น้อยมันก็เท่ากับว่าลิ้นไปตัดมันก็พยายามใหญ่โตฐานมันจึงจะออกนี้ได้เพราะมันยึดพระนครหลวงในราชอาติจักรพบแล้ว มันตามมาหาชาติหลายภแล้วมันบอกว่าใช่หันขว่าหันกำลังหันก็ต้องทำตามมันถ้าจะนั่งภาวนามันก็มากระซิบที่หูอ่ะนอนเสียดีกว่ามันเก่จะไปหนีจากวันถ้าจะให้ทานว่าเออมันจะไม่พอกินพอใช้มันก็มากระซิบที่หูว่าถ้าจะเลื่มใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เ อ, อได้ยินเขาว่าเลขจะออกนะตัวนั้นตัวนี้นัน่ น, นพยามาลมันดึงไปเล่นเลขสบายอยู่ทุกวันเนี่ยใครเป็นผู้ไปเล่นเลขก็พยามาลสิกิเลสที่ดึงไปเล่นเลขดึงไปให้เป็นนักเลงหญิงว่านักเลงสุราบ้านักเลงเล่นการพนันมากคบคนชั่วเป็นเม็ดบ้าเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้มีนายมีนายบาปนายมีกิเลสเนี่ยเป็นผู้ปกครองอันนี้มันปกครองอยู่มันสอดแนมของมันอยู่มันชวนไปเล่นเลขบ้างมันชวนไปฆ่าสัตว์บ้างมันชวนไปรักทรัพย์บ้างมันชวนไปประกอผิดนายกรมบ้างกิเลสพวกนี้พอมันล้างสมองมาลายภพลายชาติแล้วทีนี้เราจะเลื่อบ้านมันเราจะไล่มันหนีทีนี่ ส่นพระสวาษษษษษษษวันไล่นี้แล้วตีแล้วพระโสดาวันษษษษตีได้ภาคหนึ่งแล้วไม่ขบคืนพระจะคทาคามีเขาตีกกเรได้ภาคหนึ่งแล้วไม่ขบคืนพระอาณาคามีกเขาตีเกเรได้ภาคหนึ่งแลว้วพระรหัสก็ตีเกเรได้ภาคหนึ่งแล้วไม่คืนเลยชนะสงครามร่างโลกนั่นแต่พวกเราไม่ค่อยจะตีมันคอยจะแต่ค ร, รับคับมัน กูไม่อยากฟังเทศดอกสูกูจะพาหลานไปอยู่โทธทัต <c oughs> มันชวนไปแล้วนะ่ะไอ้ที่แท้มันก็พาไปดูเทวทัตนั่นเอง <c oughs> ถูกไหม <c oughs> พวกเราถ้าฟังเทศแล้วก็เบื่อล้วทีนี้ถ้าไปดูมโหโสพแล้วก็ มือชุ้งลูกชุงหลานไม่อยากให้มีสักข้ามือใช่ไหมเคยเป็นอย่างนั้นวิดาของอาตมาไม่ได้เป็นไม่เห็นบิดาไปฟังลัมเลยไม่เห็นมารดาไปแต่เวลาท่านจะสิ้นลมปานท่านบอกว่าพรุ่งนี้พ่อจะสิ้นลมปานพวกลูกๆมาดูพ่อวันนี้ ต้องนั่งล้อมพ่ออยู่เนอแต่หัวค่ำเนี่ยไม่อย่ามารบกวนเอาน้าให้ดื่มอย่ามารบกวนทำอะไนั้นนี่พ่อก็จะไม่รบกวนปัสสวะดอกเพราะมันไม่ปวดเพราะโรคพ่อพ่อไม่ได้เป็นโรคเบาหวานพ่อจะนอนตะแคงข้างขวาแล้วพ่อจะภาวนาตามภาษาของพ่อลูกๆอย่าไปอู้กันว่าอย่างนั้นพวกภาค พวกเกียงไหวได้ว่าอู้ถูกไหมพวกลูกๆอย่าไปคุยกันนะทีนี้องค์ท่านก็นอนตะแคงข้างขวาแต่หัวค่ำมีตะเกียงโปะ๊ะอันหนึ่งตะเกียงโปะ๊ะกลามือสมัยรชัชกาลที่หกหนาหนานั่นมดบ้านเจ้าของก็มีตะเกียงดวงเดียวนั่นเองแ่ะตะเกียงเจ้าพายุก็ไม่มี น้ำมันขวดละยี่สิบห้าตังใช่ไหมนั่นจุดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็หมดเพียงขวดเดียวเท่านั้นแ่ะอย่างว่าก็ครึ่งไปอีกพอเวลาจวนจะสว่างมารดาก็เบิดาก็ไปเลยเงียบไม่มีอักไม่มีแอก๊กไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีมมเรียบเลย มัรดาก็าเหมือนกันมรนดาตายคาภาวนาพุทโธเราเป็นพระอยู่มัรดามรรดาภาวนาพุทโธเนอพุทธอยู่ที่นี่โธอยู่ที่นี่อย่าไปส่งออกนอกใครเป็นผู้ว่าพุทก็สังเกตคนนั้นใครเป็นผู้วัดโทก็สังเกตคนนั้นพุทอยู่ที่นี่โธก็อยู่ที่นี่อย่าไปส่งออกเนอพุทโธจะพาไปสวรรค์นี่พ่านออกถ้าส่งออกแล้วพุทโธไม่พาไปละพุทธอยู่นี่โธอยู่นี่ อย่าไปส่งออกนอกเพราะเอาพุโทโธมาไว้ที่นี่ธรรมสังโคก็อยู่ที่นี่ล้มันดาเอ๋ยแปดหมื่นที่พระธรรมขันเอามารวมไว้นี่แล้วมันดาอย่าไปส่งสายหาเนอ้อธารวัดศีรวัดภาวนาวัดที่มันดาสร้างมาในพบก่อนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีเอามารวมไว้ที่นี่แล้วอย่าไปมองอยู่ที่อื่นเนอ้อพุทอยู่ที่นี่โทรอยู่ที่นี่เนอ้อมันดาขออย่างนี้เล้วก็ ภาวนาไปอีก5้านาทีไปลเลยเงียบมาราโรคชะลาแต่เราทุกวันนี้มันก็เตรียมตัวตายแล้วพอแปดสิบแล้วเตรียมตัวตายกับเตรียมภาวนาตายก็มีความหมายเดียวกันคนเราต้องภาวนาด้วยถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลเมื่อเกิดในชาติหน้ายังไม่พ้นมันก็อายุสั้น ถ้ามีแต่ศีลไม่มีจัดบริจาคทานเกิดมาในชาติหน้ามันก็เป็นคนอดคนอยากนี้หาพอจะได้ก็ไม่ได้พอจะรวยก็ไม่รวยเพราะขาดผลทานถ้าขาดผลภาวนาเกิดมาในชาติหน้ามันก็หลงอย่างนี้เขากโกหกพกลมไปถือผีถือสางถืออะไรมันก็ไปตามเขาเราพระ พ, พุทธศาสนาพระโคดม ก็เท <internation> ่ากับว่าพระพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเหมือนกันเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันไม่ใช่คนละพหลบพรบเดียวกันเราเริ่อมใสในทานของพระโครุมก็เท่ากับว่าเราให้ทานในพระพุทธเจ้าทั้งหลายรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกันเราถึงพระโสดาบันในศาสนาพระโครุมก็เท่ากับว่าถึงพระโสดาบันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายบางท่าน คอยพระเสด็จไม่ตายคอยท่านทําไหมถ้าไปก่อนก็ยังดีท่านจะเอาทําที่ดีที่ไหนมาพูดก็ทํามันเก่าของพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยแสดงมานั่นเองไม่ใช่ทํามันใหม่น่นไม่เหมือนคนหมันคนหมูคนฟักคนพวกท่าพุทธเจ้าสอนโลกแล้วสอนโลกมีคําสอนย่อยๆสองอย่างทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นฮิริความละอายต่อบาปโอตปะความสนุ้งกลัวต่อบาปเท่านั้นจะพกครองโรคได้ถ้าโรคไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎ ห, หม้กตหมูกตพักกตพวกก็ตั้งไม่อยู่อูคลองรมไม่นำคำนึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัย ทำความช่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่งพระพุทธศาสนาเอามากินแล้วเอา้าเพียงมีสิ้นห้าบริบูรณ์เท่านั้นแหละตำทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าผัวใครเมียใครไปมาก็ไม่รักใจกันเวลาสงกรานเธอจะไปกี่วันก็าตาม แต่ก็ไม่ยินในในสมการด้วยพูดถึงพระโสดาวันไม่เล่นจนลอยเถิดมีขอบเขนขายของไม่ต้องเฝ้าโซ่ตรวนไม่ต้องมีมีสิ่งห้ามริบูรณในชาวโลกทหารก็ไม่ต้องมีมีทำไมเปลืองตำรวจก็ไม่ต้องมีสารไต่สวนสามตัดสินก็ไม่ต้องมีนั่นนอนก็ไม่ใช่รุ่งภาวาเพราะ ไม่มีเวรอยู่รอบข้างเกิดมาในชาติหน้าก็เป็นคนไม่บ้าใบาเสียจริตคนที่บ้าใบาเสียจริตผิดมนุษย์เกิดมาก็เพราะเศษบาปของกรรมที่ดื่มสุราคนที่เกิดมามีโรคมากก็เพราะเศษกรรมของฆ่าศัตดิ์ตัดชีวิตผู้ที่ตายโหงก็เพราะแต่ชาติก่อนชอบฆ่าศัตด์ตัดชีวิต ผ ล, รรผลของกรรมไม่เหมือนคดีดำคดีแดงในโรงในศาลคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันหมดกระเกียนไปผลข้อกรรมไม่หมดกเกียนตามไปจนชาติเข้าสู่โพนิพานจะมีเกีตนาหรือไม่เกตนาก็ตามเช่นพระพรมศาสดาไม่มีเกียรตนาเลยวางยาคนไข้ผิดแต่ในชาติที่ท่านสร้างมารมีอยู่ท่องเที่ยวในวันตทัองศาล จำเป็นก็ได้ไปหลงจำเป็นก็ได้ไปรับประทานหมูง้วนของ น, นายกุลธะรำมานหมดแต่องค์ท่านก็รู้ตัวแล้วไม่ไ ด, ได้ได้รับประทานโดยไม่ได้ฉันโดยงงๆออกรรมของเราก็ต้องฉันไปแต่ว่ามันไม่ถึงใจท่านเพราะใจท่านพ้นจากเกเรตแล้วมันก็ไปเจอไปเจอไปพบแต่เรือนล่างนั่นเองกรรมตามมาถึงพระราน มันไม่ถึงใจท่านไม่ได้ถึงทำท่านมาพบแต่เ ล, ลือล้ายๆกับเรากางเกงของเรามันขาดแล้วเราทิ้งไว้ถนนหรือเราทิ้งไว้ทุนถาเขาโขดให้เราเขาเอาไฟไปเผากางเกงเราเราก็ไม่ได้รอดเพราะเราทิ้งแล้วชั้นใดก็ดีกรรมทุกชนิดตามมาถึงคันห้าของพระรหันต์พระรหันต์ทิ้งคันห้าแล้วพระรหันต์ก็ไม่เสียใจแต่พวกเรามันตามมามันก็จะทั้งหนังทั้งเขาด้วยเพราะเรายังไม่พ้นจากกิเกล็ดนั่น ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมนั่นเขาไปไม่ได้เราเห็นแล้วภาวนาใครเคยเคยภาวนาอะไรก็ภาวนานั้นละ่ะผู้ภาวนาพุโทโธก็ดึงแปดหมืนทีพระธรรมขันมารวมอยู่ในพุโทโธนั่นผู้ภาวนาธรรมโมก็เหมือนกัน ก็ดึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันมาอยู่ในธรรมโอผู้ภาวนาสังโฆก็เหมือนกันพุทโธธรรมโอสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่แห่งเดียวกันจะจับที่ไหนก็ถูกหมดผู้ภาวนาลมหายใจเข้าออกก็แปดหมื่นสี่พระธรรมะขันมารวมอยู่ที่นั่นแล้วเราอย่าไปสงสัยหาผู้ภาวนาอันนี้จังพ้อมก็ลมหายใจเข้าออกก็แปดหมื่นสี่พระธรรมขันมารวมอยู่ที่นั่นแล้วเราอย่าไปสงสัยหาผู้พิจารณาผม ขนและพันนังเลือเอนกระดูกหรือสกปรรร่างกายอันใดอันหนึ่งมันปฏิกูลก็หมายความว่แปดหมื่นสีพระธรรมะขันมารวมอยู่ที่นั่นแล้วผู้ภาวนาความตายเป็นอารมณ์พความกำหาัใจเขาออกก็ดีเข้าใจว่าแปดหมืนสีพระธรรมะขันมารวมอยู่ที่นั้นแล้วเพราะพระพเจ้าทุกๆพระองค์ก็มารวมอยู่ที่นั้นด้วยเราให้นึกอย่างนั้นถ้าม่อย่างนั้นแล้วมันก็ ส, สงสัยนี่สงสัยหาผู้ภาวนาระาละรึกถึงคุณบิดามารดา ก็ให้เข้าใจว่าผู้ได้เจ้าทั้งหลายมารวมอยู่ที่นั่นแล้วเพราะคุณวมดามรรดาปุยาตาทวดเปรียบเหมือนคนพระล้านอยู่ในวงเดียวกันไม่ได้แสลงโอนถึงกันได้นั่นะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเป็นเมืองขึ้นของนิพานสมบัติหมดทั้งวัดถุนิยมและอุดมคติด้วยใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหา ความจริงเป็นอย่างนั้นคุณของพ่าพุทธธรรมประสงค์มันมีประมาณด้วยแผ่นดินนะ้า ส, สองแสนสี่หมื่นโยธก็ดีหรือทั่วตั้งใจโลกธาตุก็ดียัดเยียดไม่มีที่จะวางถึงจะย่อดลงมาเป็นพระวิสุทธิที่คุณพระปัญญาคุณพระมหาการุณาคุณก็ตามเป็นคุณอันใหญ่หลวงหาที่จะวางไม่ได้จักขยายออกก็ไม่มีที่จะขยายเพราะมันมีมากคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ เป็นคุณอันไม่ตายใช่ด้วยเป็นอนัตตาคุณอันที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ผู้ที่ะระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประรสงค์ขาดขาดวินวินเน่ยมันเกิดมันดับเป็นคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เกิดไม่ดับคุณไมดาบนาปูญาตาทัวดคุณของท่านภุมธคุณเป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธธรรมประสงค์หมดคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเมืองขึ้นของพระเนาพทานเองด้วยนั่นกรรมฐานแต่ละบทระบาดส่งต่อพระเนปทานหมดเช่นพิจนาผมเช่นเดียวอย่างนี้ก็ส่งต่อพระเนปทานหมด เช่นพิจนาหาหนังหุ่มอยู่ได้รอบอย่างนี้ก็แปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่นั่นแล้วนั่นเรื่อมใสพุทธโธก็เท่ากับว่าเรื่อมสธรรมโมก็เท่ากับว่าเรื่อมสายสังโฆก็เท่ากับว่าเรื่อสมสายมรรคผลในพรานอยู่ในตัวนั่นโยงถึงกันหมดพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อคําสอนของพระบรมศาสดามีอยู่ไม่มีการวานันการคืน ก็เรียกว่าคำสอนพอระบรมศาสดามีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคําสอนแต่ละบทลบาทก็ร้องเรียกอยู่มาเถิดลูกหลานเอ๋ยมาเถิดมาเถิดลูกเถิดอย่านอนมากใา้พากันเรียบปฏิบัติซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนั่นคําสอนแต่ละบทาบาทคล้ายกับว่าร้องบอกกันไว้มีกลางักลางคืนเพราะคําสอนของพุทธศาสนาะไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในโลก พอเห็นโทษในโลกแต่ด้วยอาศัยอํานาจวาสนาบารมีที่แก่กล้าไม่เสมอกันก็สอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติบ้างสอนยินดีในให้ยินดีในสวรรค์สมบัติบ้างสอนให้ยินดีในพรหมสมบัติบ้างสอนจึงสอนให้ยินดีในพระนิพพานส่วนผู้ที่บารมีแก่กล้ามาแล้วก็ดิ่งถึงพระนิพพานเลยเพราะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเมันอยู่ใต้อํานาจอ น, นิจจังเกิดขึ้นได้ก็แปรปวนแล้แตกสลาย ไม่มีอันใดตั้งอยู่ใดหน่อยหนึ่งพ่อย้ามมีตะทะลร้หักบนเพผ้ามาเกิดขึ้นเมื่อใดอันันตั้งตื่นติตตวมีตะไคร่ ล, ลองเหลียวลงหองบนตรายสร้างขึ้นเมื่อใดอันันตั้งตื่นติตตวมีตะไคร่องเหลียวรลงหองมบนทรายเหตุฉช่นนั้น จ, งจึงดีนะพระนิพพานผู้ใจสูงวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่ไม่อยู่ใต้อู่ของอนนี้จังนั่น หามาได้ในทางที่ชอบก็ยังอยู่ใต้อำาอนาจอนิจังอยูอ่เราเกิดมาสมประสงค์อะไรบ้างหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรไม่มีเสียเลยสุขของกระหัสดก็มีอยู่สี่อย่างเท่านั้นสุกเกิดแต่ความไม่ทรัพย์ซุกเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสุกเกิดแต่ทํางานที่ปฏิจจคตโทษ ถึงอย่างนั้นก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายมมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งมีนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งนี่เรียกว่าโลกธรรมทั้งหลายเมื่อโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้จงพิจารนาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและแกท่านผู้อื่นมันเป็นของไม่เที่ยง รู้ตามเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำกิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนามากอย่ายินเายในส่วนที่ไม่ปรารถนานะเราจะปรารถนาสัต์เพียงใดก็ตามในไตรโลกธาเนี่ยมันไม่อยู่ในกํา ม, มือของท่านผู้ใดเลยเหตุฉะนั้นจึงได้เรียนวิชาถ่ายเทความหลงของตนที่เคยหลงมาซะ ใต้โลกธานถ้าจะพูด้าห ย, ยาบยาแก็คือโรงบ่มบ้าพระรหันต์นั่นบ่มบ้าหายแล้วก็เลยออกนีจ้จากบ้าไปสักไม่มาเป็นบ้าในวัดตาทงสารอีกเข้าสู่พระเนพานปราบวิชาบ้าหมดแล้วพระรหันต์พระสศดาวา์ทุกปราบได้บ้าเป็นตอนตอนไปแม่ข บ, บคืนดังว่ามาแล้วนั่นเอง ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นทั้งไตโรกราแทเลยเพราะไตโลกราแทกจะไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเห็นความตายคณะยึดถึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพลกจะไปด้วยความตายเห็นความแก่คณะยึดถึงก็เห็นโรครอบหนึ่งเพลกะโรจะไปด้วยความแก่ก็เก็บความตายความวิญญาณทั้งสองก็อันเดียวกันความเกิดดับก็อันเดียวกันรถของโลกคืออะไรก็คือทุกเราเนี่รถของความเกิดคืออะไรก็คือทุก รสของความแก่คืออะไรคือทุกรสของความเจ็บคืออะไรคือทุกรสของความตายคืออะไรคือทุกรสของความป่าถนาไม่ได้สมหวังคืออะไรคือทุกรสของความพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่จะเป็นใจคืออะไรคือทุกปราถนาไม่ได้สมหวังรสของมันเป็นอะไรก็คือทุกพัดผ่าจากสิ่งที่รักคือรสของแต่ละคือทุกเหตุฉะนั้นฉันจ้าขอนให้รู้ตามเป็นจริงให้เบื่อหน่ายตามเป็นจริงซัก สิ่งทั้งหลายที่มันมาเที่ยงอยู่ในโลก ấy, มันจะได้ตามความปัจจนาของเราอย่างไรว่ามันก็ไม่ได้สิเพระเรมศาสนาถ้าว่าได้ตามความปัจจนาของเราแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อยู่ในกํามือของเราสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่ในกํำมือของท่านผู้ใดเลยดินก็แตกแตกไปเป็นดินน้ำก็แตก ไ, ไปกไเป็นน้ํำไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกเป็นลมกิเลสก็แตกไปเป็นกิ charged, เลสเบียดเบียนจิตใจอีกเค่ด้วย joking. นำแต่ทุกมาให้นั่นะ ชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความเกียดข้านด้วยความขยันชนะความลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตนลืมตัวไม่ลืมใจลืมทำชนะความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงด้วยความยินดีในพระนิพพานทาไมจึงไม่ยินดีเพราะโลกมันเป็นทุกข์ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น ความเกิดขึ้นแปรปรวนก็หาระหว่างไม่ได้ไม่ลงธรรมกทำมันไม่เกิดขึ้นไม่แปรปรวนไม่ดับไปก็จริงอยู่ไม่มีกับวันกลคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เหตุฉะนั้นพระพุมศาสดาจึงยืนยันหลายอย่างเราเห็นโลกตามเป็นจริงของโลกแต่เราม่ติดอยู่ในโลกถ้าเราติดอยู่ในโลกก็เรียกว่าเราไม่รู้โลก เรารู่พริพนานตามเป็นปจริงของพริพนานแต่เราไม่ติดอยู่ในพริพนานถ้าเราติดอยู่ในพระเนปานก็แปลว่าเรามีทิฏฐิจะมานะและอุปทานในพริพนานเราไม่ติดอยู่ทั้งสมมุติและไม่มุดเหตุฉะนั้นจิตใจของเราจรึงว่าวิญญาณปฏิสนณิ์ของเราจรึงไม่มีแต่เบื้องต้นเราก็ยินดีในพริพนานเมื่อถึงแล้วความยินดีของเราก็หมดไปเพราะมันถึงแล้ว พัแต่ก่อนเราก็ต้องเอาพระนิพพานเป็นเครื่องกุศหมายเป็นคิวแต่เมื่อถึงแล้วเราก็หายความยินดีแล้วพอมันถึงแล้วท่านพูดอย่างนั้นมันเหนือความยินดีไปแล้วท่านพูดอย่างนั้นเหนือความเสียใจไปแล้วเพราะมันมีสมมติใด